พระเจ้าบอกชีวิตของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเรากายเราใจเราเนี่ยนะท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกมันประกอบด้วยขันห้าชีวิตออกแบ่งออกเป็นขันรู้จักขันไหมที่บ้านยังใช้อยู่ปะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ใช่ขันนี่ขอไขมันอากาศนอนหนูทอทงกรันแปลว่าส่วนหรือว่ากองก็ได้ชีวิตเนี่ยแบ่งเป็นห้ากองกองแห่งรูปอันหนึง่ง และกลองแห่งนามอีกสี่กองแยกให้เป็นขันขันเป็นกองๆองนก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ขันหกลกองเป็นรูปธรรมสัหนึ่งเป็นนามธรรม ส, สักีอันนี้ท่านสอนคนที่เหมาะที่จะมาดูนามธรรมา ท, ท่านเลยแบ่งนามธรรมาให้มากหน่อยส่วนใครที่ทำฌาญมาทาสมาธิมาเนี่ยนะท่านจะสอนอีกอีกแนวหนึ่งนะ ท่านจะสอนให้ดูอายัตนะชีวิตของคนเราก็คือประกอบด้วยอายาัตนะ6มันมีช่องทาง6ช่องทางในการรับรู้โลกมีอะไรบ้างเคยเรียนไหมมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายาัตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปธรรมใจเป็นนามธรรมพวกทำฌานมาทาสมาธิมาเนี่ยให้ดู รูปธรรมแยกรูปธรรมออกมาเป็น5แต่พวกเราเนี่ยน่าจะดูเรื่องขันรูปเป็นกองหนึ่งนามธรรมแบ่งออกเป็น4ี่กอง4ี่กองนั่นคือเป็นเวทนาคือรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างเวทนาก็มีนะเฉยๆนะแล้วมีตลอดด้วยสัญญาคือความจําได้หมายรู้มี2แบบนะจำได้แล้วก็หมายรู้เห็น เห็นคนนี้จำได้ชื่ออะไรแล้วก็บางทีหมายรู้ได้ว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอย่างเง้ยน่ารักหรือน่าชังประมาณนี้นะจำได้ว่าไฟแดงเขาให้หยุดจำได้ว่าสีนี้คือสีแดงไฟแดงคือให้หยุดให้หยุดคือหมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งปรุงแต่งนี่ก็ปรุงเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นบาปปรุงดีปรุงชั่ว ซึ่งกองแห่งสังขารเนี่ยมากมายก่กองมีกองก่กองอีกทีนะมากมายมากมายแยกแยะถ้าแยกแยะในทั้งทั้งหมดเนี่ยสังขารจะเยอะที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลต่อต่อความเป็นจิตที่ดีและจิตที่ไม่ดีเพราะเวลาปรุงชั่วก็กลายเป็นจิตชั่วปรุงดีก็กลายเป็นจิตดีส่วนวิญญาณคือแค่ตัวรู้ ตรู้อารมณ์ยังไม่ใช่รู้แบบมีปัญญาเด้ยนะแค่รู้อารมณ์ลืมตามาแสงเข้าตารับรู้แสงนี่คือมีวิญญาณเกิดขึ้นทางตาเสียงเข้าหูรับรู้เสียงคือมีวิญญาณผ่านทางทางหูถ้าเรียกเป็นศัพท์ก็เรียกว่าจักษุวิญญาณโสตะวิญญาณทางทา ง, ทา ง, ทางจมูกและคานะวิญญาณเคยได้ยินไหมแต่มันยากไม่เป็นไรเอาแค่ว่าวิญญาณคือรับรู้ตามช่องทางต่า ง, างๆแค่รับรู้ไม่ใช่รู้แบบมีปัญญานะยังไม่ปัญญาจะมีได้ เมื่อเราฝึกปัญญาอยู่ในส่วนของสังขารจะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติสติอยู่ในส่วนของสังขารต้องฝึกต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่เกิดแล้วก็ไม่พัฒนามีสติขึ้นมาครั้งแล้วก็ต้องฝึกอีกฉะนั้นการฝึกใหม่ๆเนี่ยใช้คำว่าดูก็โอเคคือมันต้องตั้งใจหน่อยหันไปเลียวดูหน่อยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในใจ มืกีนี้มีกิเลส อ, อะไรเกิดขึ้นในใจมันต้องเหลียวดูนิดหนึ่งคล้ายๆต้องต้องตั้งใจดูหน่อยแรกๆนะแรกๆเนี่ยต้องตั้งใจดูหน่อยแต่ถ้าดูจนชํานาญแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าแค่ตั้งใจดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมีการทำํำละตัวสติแท้จริงจรงไม่ใช่ตอนที่ตั้งใจดูตัวสติที่ท่านต้องการจริงๆคือตอนที่มันดูเองโดยอัตโนมัติบางทีครูบาอาจารย์จึงเปลี่ยนคําว่าเห็น เป็นจากดูว่าเป็นเห็นเพราะว่าตอนเห็นเนี่ยมันไม่ต้องตั้งใจแต่ตอนเราหัดเนี่ยนะถ้าเอาแค่เห็นนะมันจะอ่อนไป